แม้พระผู้มีพระภาคอารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ทรงละนิวรณห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจทอนกำลังปัญญามีพระมนต์ตั้งมั่นในสติปัฏฐานสเจริญสัมโพชงเจได้ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 ได้ถึงความสำเร็จทมบางส่วนคือเข้าถึงทมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ยิ่งนักว่าพระผู้มีพระภาคตัสรู้เองโดยชอบแน่แล้วพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงสาวกของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้สารเสริญพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วอันทาให้ท่านเลื่อมใสอื่นอื่นอีกเป็นอันมาก ในที่สุดพระสารีบุตรได้กลาบถูนว่าข้าแต่พระจมุนีสิ่งใดที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาปราบความเพียรมีความเพียรมั่นคงจะพึงบรรลุได้ด้วยเรียวแรงกำลังความเพียรและความบากบั่นของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นพัวพันในการมาสุขอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน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 อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารปฏิหารที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เช่นท่อน้ำไหลออกจากพระหัดข้างซ้ายท่อไฟไหลออกจากพระหัดข้างขวาเป็นต้นแล้วเสด็จจำพรรษาณดาวดึงพิภ พ, พ, พโปรดพระพุทธมารดาในวันออกพรรษาเสด็จลงจากเทวโลกณนะสังกัสนะครเมืองที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ในเวลานั้น ขณะที่พระศาสดาหยุดประทับอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสะนั่นเองพระสารีบุตรมาถวายบังคมพระจอมมุนีได้เห็นพระพุทธสริริความสง่างามของพระพุทธองค์อันตนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงประกาศความเบิกบานพอใจขึ้นว่าพระศาสดาผู้มีพระวาจาไพเราะทรงเป็นอาจารย์ของคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็น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 บุคคลผู้มีปัญญารู้อัดแห่งพาสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นปพระเสริฐกว่าเพราะสามารถปลื้มคนเป็นอันมากออกจากทุกได้